มโหสถโพธิสัตว์ไปสู่เรือนนั้นตามทางที่นางอมราบอกลำดับนั้นมารดาของนางอมราเห็นมโหสถแล้วจึงให้พระมหาสัตว์นั่งนะอาสนะแล้วกล่าวว่าจะดื่มข้าวต้มไหมนายมโหสถตอบว่าข้าแต่แม่น้องหญิงอมราเทวีได้ให้ข้าวต้มแก่ฉันหน่อยหนึ่งแล้วแม้มารดาของนางอมราก็รู้ว่า ชายคนนี้คงมาเพื่อต้องการลูกสาวของเราพระมหาสัตว์แม้จะรู้ว่าสกุลนั้นๆเข็นใจก็ถามว่าข้าแต่แม่ฉันเป็นช่างชุนผ้ามีผ้าอะไรๆที่ฉันควรเย็บบ้างไหมมารดานางอมราตอบว่านายผ้านั้นมีแต่ข้าจ้างไม่มีมโหสดกล่าวว่าข้าแต่แม่ฉันไม่ทําเอาข้าจ้าง แม่จงนำมาฉันจักเย็บให้มารดานางอมราจึงนำผ้าเก่าๆมาให้มโหสดชุนพระโพธิสัตว์ก็ให้ผ้าที่นำมามาแล้วเสร็จทั้งหมดเพราะว่าการทำของท่านผู้มีบุญย่อมสำเร็จง่ายได้ลำดับนั้นมโหสดแจ้งแก่มารดานางอมราว่าแม่จงบอกกล่าวตามฝากถนนให้นำผ้ามาจ้างชุน มานดานางอมราก็บอกแก่ชาวบ้านทั่วไปพระมหาสัตว์ ท, ทาการชุนผ้าวันเดียวเท่านั้นได้ทรับหนึ่งพันฝ่ายมานดานางอมราหุงข้าวให้มโหสถกินเวลานั้นแล้วถามว่าเวลาเย็นข้าจะหุงเท่าไหรมโหสถตอบว่าชนมีประมาณเท่าใดบริโภคในเรือนนี้แม่จงหุงโดยประมาณแห่งชนเท่านั้นนางจึงหุงพัตตาหารเป็นอันมาก ทั้งแกงทั้งกับมิใช่น้อยฝ่ายนางอมราเทวีเวลาเย็นเอามัดฟืนทูลศีรษะและกระเดียดใบไม้มาแต่ป่าบรรจุฟืนที่ประตูด้านตะวันออกแล้วเข้าสู่เรือนทางประตูด้านตะวันตกส่วนบิดาของนางอมรากลับบ้านเย็นกว่าที่ดากลับมโหสดบริโภคโชนาหารมีรถเลิศต่างๆนางอมราให้มารดาบิดาของตนบริโภคแล้ว ตนจึงบริโภคภายหลังแล้วชำระเท้ามารดาบิดาและเท้ามโหสดโพธิสัตว์มโหสดกําหนดสังเกตนางอมราอยู่ในบ้านนั้นสองสามวันลำดับนั้นเมื่อจะทดลองนางวันหนึ่งจึงกล่าวว่าแนอมราเทวีผู้เจริญเธอจงเอาเข้าวสารกึ่งทนานต้มข้าต้มทำขนมและหุงข้าวสวยเพื่อเราด้วยข้าวสารกึ่งทนานนั้น นางอมรารับคำสั่งแล้วตำข้าวสารนั้นแล้วเอาข้าวสารต้นอันเป็นตัวไม่ค่อยมีเมล็ดหักต้มเป็นข้าวต้มเอาข้าวสารกลางอันมีเมล็ดหักโดยมากหุงเป็นข้าวสวยเอาปลายข้าวสารอันป่นทำขนมแล้วประกอบกับข้าวให้ควรแก่ข้าวสวยข้าวต้มนั้นให้ข้าวต้มแก่มโหสดก่อนพอมโหสดได้ดื่มข้าวต้มถึงปาก ข้าวต้มนั้นก็แผ่ซ่านไปสู่เส้นประสาทเจ็ดพันซึ่งเป็นเส้นสำหรับรับรถเมื่อโหสดกล่าวเพื่อทดลองนางอมราว่านางไม่รู้จักหุงต้มทำข้าวสารของเราให้เสียหายเพื่อประโยชน์อะไรแล้วคายถมข้าวต้มพร้อมกับน้าลายลงยังพื้นนางอมร า, าไม่ได้โกรธกล่าวว่าข้าแต่นายถ้าข้าวต้มไม่อร่อยท่านจงกินขนม แล้วส่งขนมให้มโหสถมโหสถก็ทําอาการอย่างนั้นแล้วกล่าวอย่างนั้นอีกนางอมราจึงกล่าวว่าถ้าขนมไม่อร่อยท่านจงกินข้าวสวยแล้วให้ข้าวสวยแก่มโหสถมโหสถก็ทําอาการอย่างนั้นแล้วกล่าวดังนั้นอีกทําเป็นเหมือนขัดเคืองขยําข้าวทั้งสามอย่างนั้นเป็นอันเดียวกันแล้วทาสรีระทั้งสิ้นตั้งแต่ศีรษะแห่งนาง แล้วไล่ให้นางไปยืนอยู่ที่ประตูฝ่ายนางอมราไม่โกรธเลยประนมมือกล่าวว่าดีจ้ะนายแล้วได้ทำตามสั่งมโหสถรู้ว่านางไม่ถือตัวจึงเรียกกลับมาหาพอได้ยินเรียกคำเดียวเท่านั้นนางก็มานั่งลงที่ใกล้มโหสถฝ่ายพระมหาสัตว์เมื่อมาแต่บ้านตนหาได้มามือเปล่าไม่ เอาผ้าสาดกหนึ่งผืนกับกะหาปณะหนึ่งพันบรรจุในไท้น้อยมาด้วยจึงนำผ้าสาดกนั้นออกจากไท้น้อยให้แก่นางอมราแล้วกล่าวว่าแหน่นางผู้เจริญนางจงอาบน้ำกับพวกสหายของนางแล้วนุ่งผ้าสาดกนี้มานางอมราได้ทำตามคำสั่ง มโหสถให้ทรัพย์ที่เกิดขึ้นและทรัพย์ที่นำมาทั้งหมดแกมารดาบิดาของนางอมรายังคนทั้งสามให้ยินดีแล้วลาแม่ยายพ่อตาพานางอมรากลับไปบ้านก็พระมหาสัตว์ให้ร่มและรองเท้าแก่นางอมราแล้วพูดอย่างนี้ว่าแน่นางผู้เจริญนางจงเอาร่มกลางกันตัวสวมรองเท้าเดินไป นางอมรารับของสองอย่างหุบร่มในคราวร้อนดวงอาทิตย์ในที่แจ้งเดินไปถอดรองเท้าในที่ดอนถือไปสวมรองเท้าในเวลาถึงที่มีน้ำเดินไปมโหสถเห็นเหตุนั้นจึงถามว่าแน่นามผู้เจริญเป็นอย่างไรนางไม่สวมรองเท้าในที่ดอนสวมในที่มีน้ำเดินไปเพราะเหตุอะไร นางตอบมาโหสดว่าข้าแต่นายดิฉันเห็นสิ่งประทุสร้ายร่างกายมีน้ำเป็นต้นในที่ดอนดิฉันไม่เห็นสิ่งประทุสร้ายร่างกายมีปลาเต่าและน้ำเป็นต้นในที่มีน้ำครั้นเครื่องประทุสร้ายเข้าไปสู่เท้าดิฉันก็พึงเสวยทุกข เ, เวทนาใหญ่เพราะฉะนั้นจึงสวมรองเท้าในที่มีน้ำเดินไป พระโพธิสัตว์ได้ฟังคําของนางก็คิดว่านางทาริกานี้ฉลาดมากหนอแล้วก็เดินไปลำดับนั้นนางอมาราเมื่อเข้าภายในป่าก็กั้นร่มเดินไปมโหสถถามเหตุนั้นว่าเนี่ยนางผู้เจริญชนเหล่าอื่นกั้นร่มกันแดดในที่แจ้งเดินไปแต่นางหาทำอย่างนั้นไม่เพราะเหตุอะไรนางตอบมโหสถว่า ข่าแต่นายดิฉันชื่อว่าเข้าสู่ภายในป่าก็จริงแต่ทำอย่างนี้เพราะกลัวไม้แห้งท่อนไม้ตกบนศีรษะพระโพธิสัตว์ได้ฟังคําที่นางกล่าวด้วยเหตุสองอย่างก็ยินดีลำดับนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์เดินไปกับนางเห็นต้นพุธสาถึงพร้อมด้วยผลในที่หนึ่งก็หยุดนั่งใต้ต้นพุธสา ฝ่ายนางอมราเห็นพระโพธิสัตว์นั่งใต้ต้นพุทธสาก็พูดขึ้นว่าข้าแต่นายท่านจงขึ้นเก็บผลพุทธสากินให้ดิฉันบ้างมโหสถตอบว่าแน่นางผู้เจริญเราเหน็ดเหนื่อยไม่อาจขึ้นนางขึ้นเถิดนางได้ฟังคำของมโหสถก็ขึ้นต้นพุทธสานั้นเลือกเก็บผลฝ่ายพระโพธิสัตว์กล่าวกับนางว่า แน่นางผู้เจริญนางจงให้ผลแก่เราบ้างนางคิดว่าเราจะดูบุรุษนี้ฉลาดหรือโง่จากทดลองเขาดูจึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าแต่นายท่านจะกินผลร้อนหรือผลเย็นพระโพธิสัตว์แม้รู้เหตุที่นางถามก็ทำเป็นเหมือนไม่รู้จึงกล่าวตอบอย่างนี้เพื่อทดลองว่าแน่นางผู้เจริญเราต้องการด้วยผลร้อน นางจึงเก็บผลโยนไปในที่พื้นดินกล่าวว่าท่านจงกินเถิดนายพระโพธิสัตว์ก็เก็บผลมาปัดเป่าให้หมดผงแล้วเคี้ยวกินเมื่อจะทดลองนางอีกจึงกล่าวอย่างนี้ว่าแนนนางผู้เจริญนางจงให้ผลเย็นแก่เรานางก็เก็บผลพุทธาโยนไปบนพื้นหญ้า พระโพธิสัตว์นั้นเก็บผลนั้นไม่ต้องปัดเป่าเคี้ยวกินทีเดียวรู้ว่านางทาริกานี้ฉลาดเหลือเกินก็ยินดีแล้วบอกให้นางลงจากต้นพุธสานางอมาราได้ฟังคามโหสถเรียกให้ลงก็ลงจากต้นพุธสาถือหม้อน้ำไปแม่น้ำนาน้ำมาให้มโหสถมโหสถก็ดื่มน้ำแล้วบ้วนปากนางยืนอยู่ส่วนข้างหนึ่ง เขาทั้งสองลุกขึ้นเดินเข้าสู่พระนครพระมหาสัตว์ให้นางอยู่ที่เรือนคนเฝ้าประตูแล้วแจ้งแก่ภรรยาแห่งคนเฝ้าประตูให้ทราบเพื่อทดลองนางแล้วเข้าสู่เคหสถานของตนเรียกชายทั้งหลายมาแจ้งว่าเราให้สตรีคนหนึ่งอยู่ที่เรือนโน้นจึงมาบ้านนี้เจ้าทั้งหลายจงเอาทรัพย์หนึ่งพันกหาปณะ น, นี้ไปที่เรือนนั้นพูดเกี่ยวพานลองดู สั่งฉะนั้นแล้วให้กหาปณะหนึ่งพันแล้วส่งไปบุรุษเหล่านั้นไปสู่สำนักนางอมราแล้วได้ทําตามมโหสถสั่งนางไม่ปรารถนาคิดเห็นว่าความประพฤติของบุรุษเหล่านี้ไม่ถึงสักว่าละองเท้าของสามีแห่งเราบุรุษเหล่านั้นก็กลับมาบอกแก่มโหสถลําดับนั้นมโหสถส่งบุรุษเหล่านั้นไปบ่อยๆถึงสามคราว ในวาระที่สี่จึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าทั้งหลายจงไปจับตัวนางคร่ามาบุรุษเหล่านั้นก็ไปทำดังนั้นนางก็ได้มาเห็นพระมหาสัตว์ตั้งอยู่ในความเป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมากก็จำไม่ได้แลดูมโหสถและหัวเราะแล้วก็ร้องไห้มโหสถซักถามถึงเหตุทั้งสองนั้นนางก็แจ้งแก่มโหสถว่าข้าแต่นาย ดิฉันเห็นสมบัติของท่านก็นึกในใจว่าสมบัตินี้ท่านไม่ได้ด้วยไม่มีเหตุก็แต่ท่านจะทํากุศลไว้ในปางก่อนจึงได้สมบัตินี้โอผลบุญทั้งหลายน่าอัศจรรย์หนอนึกในใจดังนี้จึงได้หัวเราะก็เมื่อดิฉันร้องไห้ก็ร้องไห้ด้วยความการุณาในตัวท่านด้วยสงสารว่าบัตินี้ท่านมาทําร้ายในวัตถุ ที่คนอื่นปกครองห่วงแหนก็จักไปสู่นรกมโหสถทดลองนางอมรารู้ความที่นางเป็นผู้บริสุทธิ์จึงกล่าวสั่งว่าเจ้าทั้งหลายจงไปจงพานางไปอยู่ที่เดิมแล้วแปลงเพศเป็นช่างชุนผ้าไปแรมอยู่กับนางรุ่งเช้าก็เข้าไปสู่ราชสานักทูลประพฤติเหตุนั้นแด่พระนางอุทุมพร พระนางนำความกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชแล้วประดับนางอมราเทวีด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงให้นั่งในวอใหญ่นำมายังเคหสถานของมโหสดทำอาวาหะมงคลด้วยเกียรติอันยิ่งใหญ่พระราชาทรงส่งทรัพย์มูลฆ่าพันกหาปณะนะเป็นบรรณาการแก่พระโพธิสัตว์ ชาวพระนครทั้งสิ้นทั้งแต่คนรักษาประตูก็ได้จัดของขวัญมาให้ฝายนางอมราเทวีก็แบ่งของที่ได้รับพระราชทานเป็นสองส่วนคืนเข้าพระคลังส่วนหนึ่งรับไว้ส่วนหนึ่งได้ส่งของช่วยของชาวนครทั้งสิ้นไปส่งเคราะห์ชาวนครโดยวิธีนี้แต่นั้นมาพระมหาสัตว์ก็ได้อยู่ร่วมกับนางอมรา ได้ถวายอนุาสาตอัฏธรรมแด่พระราชาการแสวงหานางอมราเทวีจบ